ความทุกข์ของคนเรานะเนี่ยมไงมีอยู่ในตัวด้วยกันทุกคนเกิดก็เป็นทุกข์แก่ก็เป็นทุกข์เจ็บระหวยป่ ว, ไ ว, ไวยไข้มีแต่ความทุกข์ทั้งนั้ความสุขไม่เลยตายจากโลกไปก็มีแต่ความทุกข์เราจะต้องพลาดพลาดจากของที่รักไปก็เป็นทุกข์ ่เป็นที่นาทิดายมากว่ะเราจะจากกันก็ตอนตายเป็นชาติธรรมดาแต่เสียใจด้วยจากกันตอนเป็นเนี่ยมันเห็นใจกันเหลือเกินสามีเลิกกันมีลูกตาวยกันจะได้จากกันมาเป็นเช่แล้วหรือน่าจะต้องจากกันตอนตายแต่ก็จำเป็นจะต้องจากกันตราเวรกรรมตามสนองทำให้ผัวเมียแยกการประสุกเข้าไปเสาแท้ สามีภรรยาก็ต้องแยกกันไปคนละหัวคนละหางลูกก็แยกกันไปเป็นการกดแห่งกรรมอย่างชัดเจนเนี่ยมันมีแต่ความทุกข์หาความสุขไม่ไเลยเนะไม่มีความสุขสนุกสนานในชีวิตแต่ประการใดอย่าละเลงหลงไปอย่างนั้นเลยอย่าโยมทั้งหลายที่เรามาเจริญพระกรรมาฐานเจริญสติปัฏฐานสีเนี่ยตายเวทนาจิตธรรม ก็ต้องการให้รู้ทุกเราจะต้องแก้ไขทุกขในตัวเองทุกประจําก็คือเกิดแก่เจ็บตายเจ็บระหว่วยป่วย่ายขณะนี้เราเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นโรคอะไรมันมีความทุกตรงไหนปวดทั่วสพรลกายแล้วนะับนี้เนะ่ะเป็นไ่ายอย่างแรงนี่คืออาตมาเนี่ยเราก็รู้ทุกอ๋อทุกนี่ประจําตัวเราก็มีเจ็บระหว่วยป่วยไขยเป็นธรรมดา ไม่ล่วงพ้นจากความทุกข์อันป่วยไข้นี้ไปได้โดยกันทุกคนต้องมีความเจ็บปวดรวดร้าวทั่วสกลกายไหนปวดรวดร้าวทั้งด้านกายยังไม่พอปวดรวดร้าวทั้งจิตใจเจ็บใจอีกไม่ใช่น้อยก็ตัวเราก็จะต้องประสบมาดดวยกันทุกคนไม่มีใครเลยที่จะต่างแตกแปลกันไปได้เหมือนกันหมดทุกเกิดนี่มันทุกข์เหลือเกิน กิดในครรนของมารดามีแต่ความทุกข ja ta ์ตั้งอยู่นอนในครรนถึงเต้าเดือนสิบเดือนครึ่งคาออกจากครับผ่ามีแต่ความทุกข์ทั้งหาความสุขไม่ได้เลยจริงๆถ้าโยมเข้าใจเรื่องมึกชาตตอนอยู่ในท้องแม่ได้ไม่มีความสุขเลยเราอยู่ในท้องนั่งยองๆท้องของมารดามีแต่ความทุกข์ในครรนของมารดาปฏิสนทิคลอดมาก็มีแต่ความทุกข์ แล้วก็จำความได้ก็จะเกิดแกกเจ็บตายมันก็ป่วยเรามีลูกคลอดมาก็ต้องป่วยต้องไปหาหมอเยียวยาตลอดเป็นเด็กๆเล็กๆ ก, ก, กว่าจะเริญไววชนะสาเนี่ยมันมีทุกข์แค่ไหนแล้วเราก็ยังไม่เข้าใจทุกอันนี้เลยการจเจริญวิปัสสนากรรมาฐานที่โยมมาปฏิบรรัติทำต้องการตรงนี้เนี่ยต้องการรู้ตัวทุกข์ที่เราจะแก้ไขทุกข์ให้มันเกิดความสุขขึ้นมาบ้าง ไม่ใช่มานั่งไปสว่างนิพผานมาจิจ้นจี้หัวใจหลายคนแต่มาเห็นชัดไม่ได้ตั้งใจปฏิบัติเลยนะไม่ได้ตั้งใจปฏิบัติไม่ได้ตั้งใจกำหนดจิตให้มีสติปัญญาแม้แต่ห้านาทีเลยแล้วยมจะไปเอาอะไรตรงไหนนะมันจะไม่ได่าอะไรไปเลยนะก็มากันอย่างนั้นแหละสังตายมากันแลมาเนะี่ยไม่ได้ความสุขกลับไปเลยมีแต่ความทุกข์แต่ไม่สามารถจะแก้ทุกข์ได้เลย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 ออกมาทำนองนี้ชัดเจนมากโยมมาสงบถ้ายมรู้จริงยิ่งสงบรู้จริงในตัวเองรู้เกิดแก่เจ็บตายรู้พลาดลาดจากการจะต้องพลาดพลาจากของไปที่รักของที่ชอบใจด้วยกันทั้งหลายชัางพิ่พไม่มีใครแพกแต่กันต้องอยู่ในตํำรา น, นี้แม่นอนที่สุดพุทธเจ้าสอนแล้วเป็นความจริงไม่ต้องสงสยัย ไม่ต้องไปถามใครที่ไหนถามตัวเองก า, เาการเจริญสติปัฏฐานสี่กายเวทนาจาิทธรรมก็ทามไม่ได้จริงเดินหนอก็ยังเอากันไม่ได้ได้ยมจะตายอะไรฮะจะไปทำตรงไหนจะไปเอาทำยามตรงไห น, นะจะไปสวัสด์นิพานตรงไห น, นแค่เรามีสมบัติมนุษย์อยู่ในตัวแล้วครบรอบยังเอาสมบัติมนุษย์ไปชิ้งทุกสิ่งกลายเป็นไม่ใช่เป็นมนุษย์ จิตก็ไม่สสยใจก็ไม่สะอาดไม่บริสุทธิ์เช่นนี้แล้วไหนเลยเราโยมจะเข้าถึงพุทธธรรมเข้าถึงธรรมะได้จะไม่เข้าถึงเลยอาตมาดูคนออกแล้วคนที่ปากเป็นบุญใจเป็นบาปทั้งนั้นหาเรื่องหาราวการนินทาจนเสริญเจริญพรตลอดในยการคนที่รู้จริงในธรรมะแล้วเขาไม่วุ่นวายรู้จริงยิ่งสงบปาลารดธรรม เขาจะไม่อยากจะพูดอะไรแล้วไม่อยากจะว่ากล่าวใครเลยไม่ตอง น, นินทาใครแล้วเป็นเรื่องของกรรมเป็นเรื่องของเขาเองเขาเป็นอย่างนี้นะ่ะนิจฉัยอย่างนี้มันก็โวยวายแล้วโรคประสาทมันขึ้นมันก็โวยวายถ้าเรารู้จริงแล้วยิ่งสงบจะไม่ต่อต้านต่อไอ้คนโรคประสาทยอย่างนี้สติดีแล้วสัมปชัญญะดีกําหนดจิตตั้งสติไว้มัง่งสิยืนเดินนั่งนอนจะเลี้ยวซ้ายแลขวากู้ยดเด็ดขา มีสติสัมปชัญญ ะ, ะกำหนดจิตได้ไหมยืนหนอถ้าครั้งให้ดะบางคนถามว่าปวดแล้วก็กำหนดไงปวดหนอปวดหนอแล้วเอาจิตไว้ที่ไหนไม่รู้ปากก็อ้าปากว่าเขาไปปวดหนอเท่านั้นเองแล้วก็เลิกรู้ไม่จริงต้องเอาสติไว้ที่ปวดน้นไปปากไว้ตรงนั้นแล้วกำหนดว่าปวดหนอปวดหนอนี่เวทนาะ พอรู้จริงแล้วเกิดขึ้นนัง่งดูดับไปอุปาทานก็มายึดจิตก็สบายไม่ไปยึดถือมันอีกต่อไปอย่างนี้หรอกนะไม่ใช่อย่างอื่นพอรู้จริงเท่าแล้วก็ไม่ต้องไปเกาะมันหรอกไม่เกาะมาแล้ ว, ไ อ, ลวไอ้ความปวดมันก็สงบไปเองนี่รู้จริงยิ่งสงบไม่อยากจะไปนินทาใครโดนถ้าโยมเนี่ยชอบนินทาชอบใส่ไล่ไปสีวคขาวนั่งปฏิบัติ ท, ทําให้มันเห็นธรรมะหน่อยได้ไหม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 แต่พระองค์เป็นนักบวชแล้วเป็นบรรพชิตจ ะ, สะเสวยอาหารยังไงก็ได้ข้าวก็ดำแดงแดงก็ดำแล้วก็ทั้งหมดก็เข้มศิตตถะไม่เต็มใจกลืนแต่ศิตตถะเอ๋ยบัดนี้เราเป็นนักบวชแล้วจึงจะสอนพระว่าปฏิสังขาโยนิโ s บินถปปาตังปฏิเสวะพิจารณาอาหารก่อนเพื่อโพชเนมตันยุตา รู้จักการประมาณอาหารพอสมควรไม่มากเกินไปและไม่น้อยเกินไปเพื่ อ, อยังชีวิตไว้ในวันหนึ่งต้องการจะบำรุงสังขารร่างกายเท่านั้นและเรารักษาสินแปันเนี่ยปฏิบตัติกรรมฐ า, านดีที่สุดเราไปในกรุงเทพบางแห่งเข้าไปปฏิบตัติเขาไม่ต้องรับสินแปดรับสินอชีวะและกินข้าเย็นกินผลไม้ด่าเเจ้าไม่ได้สอนเลย ถ้าผู้มีธรรมะปฏิบัติฝึกต้องเว้นอาหารเช้าบำ ร, รุงร่างกายอาหารกลางวันบำ ร, รุงงานอาหารเย็นอาหารต้อลุงน่ะบำ ร, รุงกรรมะคุณก็เราปฏิบัติทำไปบำ ร, รุงกรรมะคุณทําไมละ่ะให้รู้แจง้งเห็นจริงหน่อยได้ไหมโยมจะได้ของปลอมไปทำ ง, งานไปนั่งกรรมฐานาในห้องเย็นอ้ยวัด น, นี้เดินเดินจกกลมในป่าแต่พระพุธทธเจ้าจะอยู่โคนไม้เลยใช่ไหม ถ้าปไปนารายฮะถ้าไปหาแสวงหาที่ชี่สมกคนมาเรียว่วงวางเปล่าไม่วุ่นวายเราก็อย่าไปวุ่นวายกับใครเขาเช่อใครวุ่นวายเราก็อย่าไปวุ่นกับเขาตรงนี้ถึงจะได้ผลถึงจะได้อานิสงส์แต่คนนะ่มาทิฏฐิตัดปฏิโุจกังวลไม่ได้มาว่าคนโน้นว่าคนาค น, าคนี้รับรองโยมทำกรรมฐานไปร้อยปีไม่ได้ผลเป็นบาปนะไม่ได้ผลนั่นแหละเนี่ยตรงนี้นะ พิจารณาตมาพูดจากปากจะฉีกไปแหละพระเหดายดเขาไม่สนใจฟังสนใจเอาความสะดวกสบายเดินจกลมในป่าโอ้แมาแล้วกลับต้องไปเดินจงกลมในกรุงเทพเนะี่ยใบบ้านโน้นดีเดินในห้องแอร์เลยนั่งในห้องแอร์ได้ของปลอมทั้งนั้นคนเดี๋ยวนี้มันชอบปลอมคนแก่มากคนจริงหายากคนจริงมีเมื่อดไปไหนทุกสิ่งมีความสุข ขอฝากไว้อย่างนี้บางคนมาแตมาเห็นแล้วดูหน้อดูตารู้เห็นหนอใช่ไม่ได้แล้วมานั่งเป็นบาปมาว่าคนโน้นเขามาว่าคนนี้เขาแล้วไม่ใครเชื่อฟังหลักการติการช่วยการติกาของวัดมีไม่เอาเขาไม่เชื่อวัดโน้นเขาไม่มีหลักกติการหรอกมีพระมาเทศวันละห้าองค์เทศดีคนชอบฟังกับชอบพูดเขาไม่ชอบมาวันนี้ต้องมีพระมาเทศไปเทศยาน ก็จะได้รู้ว่าเนี่ยได้ยานออไลน์ขอเท็จจริงไม่ใช่เลยได้บาปไปแทะขอฝากญาติโยมผู้ใคร่ทำยืด้วยถ้าต้องการใคร่ทำปฏิบัติแล้วขอให้เป็นคนจริงเนี่ยมาไม่ตอบอาหารการบริโภคเนี่ยเอาสะอาดไว้ยาสกรปรกเท่านั้นเองพอแล้วจะเป็นปูเค็มหรือปลาทูก็ถามได้อ่ตมามาเป็นเด็กเนี่ยไปโรงเรียนปูเค็มหนึ่งตัวยายห่อให้ปลาทูตัวเดียวบางครั้งมีไข่ต้มลูกเดียว ต้องไปกินหาดทรายไปกินกับเพื่อนอายเขาเพื่อนเขามีแกงหมูแกงเหเ็ดแกงไก่เราไม่มีก็เขาก็ต้องไปกินหาดทรายหน้าวัดบางพุูษาแล้วก็กินน้ําที่แม่น้ําเนี่ยแล้วก็รูปเนื้อรูปตัวเข้าห้องเรียนไปเนี่ยเรากินปุกเข็มมาปลาทูตัวแจ็กมาจากมืงจีนกินปลาทูบุกเข็มแล้วก็เขาเ้าไปย่าเซียเป็นใหญ่เป็นโตนั่นแหละเขามีธรรมะแหละคนจีนเขามีธรรมะแต่จีนยุคใหม่สมัยนี้เชื่อไม่ได้ มันมีเลือดคนทายขี้เกียจผสมไปาขี้เกียจขี้โกงก็เชื่อไม่ได้เหมือนกั น, นคนจีนเดิมเนี่ยวงตระกูลของเขาเนี่ยเขามีหลักธรรมไปอยู่ที่ไหนมีจะรวยที่ไห น, นเขามีธรรมะประจาใจคนไหนมีธรรมะรวยเมื่อ น, นั้นคนที่ไร้ธรรมะขาดเหตุผลไร้สติปัญญาแล้วเอารวยไม่ได้ยังเอาดีไม่ได้ด้วยมีตัทิฏมณนะตลอดรายการมีเจ้บาปดำไม่รู้จักของทุก์ ไม่รู้ความทุกข์มันจะเกิดขึ้นบันไดเลยเนี่ยตมาเนี่ยประสบกรรมมาแล้วนี่เวลาการเวลาป่วยทุกทีมันจะปวดมุดแล้วสิรถชนรถชนที่ขอพับไปนึกถึงนกเดี๋ยวเราไปหักคอมันน่ะต้องไปหลายร้อยตัวเนี่ยจะหมดเวงกรรมหรือไม่มันจะต้องใช้ฆ่านกเดี๋ยวเราไปหักคอมันไปหลายร้อยตัวเนีแล้วก็ถกหนังมันด้วยแล้วเราก็ต้องมาปวดรวดไาย ในร่างกายของตนที่เราไปทำกรรมทำเวรมาก็ต้องอุเทิศให้เขาเราไปทำเข้ามาต้องยอมรับอย่าไปปฏิเสธทุกข้อหาแต่ประการไดอย่ามักง่ายมักได้เลยคนเรามาวัดนี่มักง่ายมักได้จะเอาอย่างดีแต่ก็ไม่สร้างความดีมันจะได้ดีไหมไม่สร้างความดีเลยมันจะไม่ได้ดีติดตัวไปดีอยู่ที่ละความชั่วละพยศละทิฏฐิมณะใช่ไหม ได้ตาปฏิพงศ ก, กังวลทางบ้านมาอย่าไปห่วงบ้านไม่งั้นทำไม่สาเร็จทำไม่ได้ผถนห่วงคนโน้นห่วงคนนี้นางจิตไม่สงบหรอกแม้ว่าจิตไม่สงบเช่นนี้เนี่ยแล้วก็มันให่ตั้งสติไว้เลยจิตมันมุ่นวายแล้วก็ตั้งกำหนดคิดหนอคิดไม่ดีมันจะบอกเราคิดดีมันก็จะบอกเราก็สติมันบอกเราเองสติสัสมมาชัญญาเป็นตัวธรรมะประจตัวเอง แต่เราก็จะได้มีปัญญาหลอบรู้ในกองการทั้งฐานรู้ทุกข์แม้ความทุกข์เนี่ยโยมมันเจริญกรรมฐานจะแก้ทุกข์ได้จําหมดทุกข์จะมีความสุขขึ้นมาความทุกข์ระทมขมคืนแถมเอาทุกข์จอนมาอีกเหรอทุกข์ของตัวเองก็มากมายถึงขนาดนี้พาไปเอาทุกข์นอกบ้านมาทําไมทุกข์จอนมาทําไมมาปล่อยให้ทุกข์มากมายเช่นนี้การเจริญกรรมฐานต้องการบําบัดทุกข์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 ถ้าจิตใจยอมเป็นบุญแล้วเนะ่ะมีแต่ความสุขในบ้านทั้งหมดสามีภรรยาจะไม่ทะเลาะกันเลยนะลูกเต้าก็จะสามัคคีกันจะไม่แย่งสมบัติกันแต่ประการใดเพราะจิตใจเป็นบุญถ้าจิต ใ, ใจเป็นบาปบาปเป็นบุญแล้วไม่เป็นคุณประโยชน์แต่ตัวเองได้ไปไหนก็มีแต่ความทุกข์ระทมขมขืมนฟ้องกันทิ้งลงสามตลอดประการมีแต่วุ่นวายเนะี่ยวุ่นวายเนะี่ยมีทุกเนะี่ยเป็นบาปไม่มีความสุขแต่ประการใดขอฝากไว้ในวันนี้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 ในเรียนเห็นจงกองจากเป็นดอกบัวเห็นความชั่วเป็นความดีเศษฉีในใจไปแล่นใบบนบกแบบประเภทนี้มากอยากรวยอยากเป็นเศษฐีเน่ยเศษฉีในใจก็ทําไมหนอไปแล่นใบบนบกมันจะไปได้เหรอต้องแล่นใบในน้ำเสใน่แหละพวกเศษฉีในใจอยากรวยอย่างเดียวแต่ไม่ทําอยากรวยแต่อยากไม่อยากทําเป็นกิจกรรมที่เลวร้ายไหนเลยละบุญจะเกิดขึ้นกับย้อมแอง จะไม่เกิดแน่แน่มามาปฏิบัติกรรมฐานข้อหนึ่งต้องด่เมตตาไดเมตตาแล้วยมจะไปว่าใครเขาเลือมีแต่เมตตาไม่เป็นโจรไม่โจรลังไอ้พวกโจรโจรลังเนี่ยก็ไม่ใช่หมายความกับ ข, ข, ข, ขโมยโจรต้นหมายความว่าคู่ปรชาชจากเมตตาไม่มีเมตตามันก็ใจดําเอาไมา่หิดเช่นนี้แหละชอบว่าเขาชอบดา่าเขาชอบยิงทารเขา อย่าลืมนะโยมนะถ้าโยมมีลูกระวังนะชอบมินทาชอบให้ใส่ไล่ไปสีครับโดนไปถึงตอนลูกมันจะโดนใส่ไล่ไปสีนะขอฝากไวในวันนี้โดยทักก่วการวันนี้วันสิ้นเดือนเนี่ยขอให้มันสิ้นไปในเรื่องนี้อย่าเอามาปลารบได้ไหมอย่าเลื้อฟื้อเรื่องเก่ามาเล่ากันใหม่เลยอาตมาพูดมานานไม่มีใครจำเอาไปใช้ไปไหนก็ปากวายใจก็เบาเรื่องเก่าดันเอามาลือฟือเรื่องอื่นมาคลิกกินชอบไม่ทาม ไม่ทำไอ้คิดที่มันไม่เป็นเรื่องเป็นราวเรื่องคนอื่นทั้งนั้นตาเรื่องคนอื่นมาทําไมล่ะคนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีเราสีเป็นคนไม่ดีแต่หันมุมกลับหรือมุมมองแล้วในแง่คิดเนี่ยเราเป็นคนไม่ดีไปว่าเขาถ้าคนดีมีปัญญาเขาไม่ว่าใครเขาไม่นินทาใครแล้วเขาไม่ใส่ร้ายไปสีแต่ท่านผู้ใดมือกัจิตเป็นกุศล ส, สร้างกมลฉันดานให้เกิดธรรมะประจําจิตประจําใจของตน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 ตามีซัพ์ดูของแต่ดีมีประโยชน์ของไม่ดีจะไม่มองจะไม่สนใจอย่างนั้นถึงจะกําหนดว่าเห็นหนองทิษาลง ป, าปลายเท้าปลายเท้าคนทิศาห้าครั้งเราจะรู้ได้คนนี้นิสัยไม่ดีคนนี้กําลังมีชู้คนนี้กําลังไปโลกมะเร็งและจะต้องตายในที่สุดหัวไม่มีแล้วออกมาอย่างนี้ชัดทําให้มันได้หน่อยได้ไหมไม่ใช่ฉันจะมาสวรรค์นิพพานมาบวชชีพรามแก้บน บวกแก่บนเจ็ดวันเลยโบนอย่างเดียวคุยมันสะบัดเลยแล้วให้เวลาค่าเวลามันหมดไปเหมือนค่าชีวิตให้ตายไวขึ้นมาค่าชีวิตค่าเวลาให้หมดไปไม่มีอะไรเหลืออยู่แต่การตายญาติโยมที่รักเอย่ยโยมเห็นด้วยหรือไม่นี่หละเรื่องจริงที่สามารถพูดไม่จริงจะไม่พูดนะไอ้มันเสียวเวลานี่อาภาษณ์หนักเลยไม่สบายมากก็ต้องพูดจนกว่าจะตายขอฝากไว้ข้าวปลาฉันไม่ได้หลายวันแล้วก็ต้องทนนะ กันตีความอมดทนทงตราตามได้ทนลําบากได้ทนเจ็บใจในทังคมได้ใครจะมาด่ามาว่ากอดเมียของเขามันก็กลับไปหาเขาเองอย่าไปรับมันมาคนที่ไร้ปัญญาชอบหาเรื่องชอบไปรับเรื่องคนอื่นมาเรื่องของตัวเองไม่เอาไม่รู้จัจกจะแก้ไขประการใดแล้วไปเอาเรื่องคนอื่นมาทําไมล่ะนี่เรียกว่าทุกจรใช่ไหมนี่แหละญาติยอมเอ้ยในตัวเอง่ะมีแต่ความทุกข์หาความสุขไม่ได้เลย แต่มาไม่สบายมากเอาบทหน้าคือผ้านะี่ยไม่สบายอย่างนี้จ่ายวิวิวตังสติไว้จนได้จนบทหน้าจบคือ้าองค์เมื่อวันเช้านี้าวานนี้หรือยังไงจาไม่ได้เนี่ยแล้วเราก็ปวยยก่วยอย่างหนักแล้วยังป่วยแล้วก็จะต้องรับแขกอีกตีสองมาเลสยสุโขไทยพิศโลมากินข้าวตีสองสามร้อยกว่าคนแล้วต้องให้ธรรมะไปถึงตีสามครึ่งตลอดเลยตานแล้วเขาก็นอนกันหมดแล้วเราก็ต้องสู้สิ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 แต่ชาวพูดไม่เอาปาเป็นบุญใจเป็นบาปทั้งนั้นปาเป็นบุญทั้งแต่ใจเป็นบาปถ้าใจเป็นบุญหน่อยโยอมไม่มีเรื่องอใครเลยนะจะไม่มีเรื่องหาเรื่องอะไรต่อไปใครจะด่าจะว่ายังไงก็อดทนเจ็บใจได้เขาด่าเรามันก็กลับไปหาเขาเองก็เป็นบาปของเขาเองไม่ใช่เอาไปรับบาปมาทําไมเราจะเอาทุกมาใส่ตัวทําไมล่าเรามีแต่ความทุกข์ตลอดเลยตามไหนเลยเรายอมจะเป็นบุญจะเป็นบาป ตลอดไปเนี่ยมาเนี่ยแตมาสังเกตหมดแหมาบางคนไวยศไวอย่างถือที่ถีบมานะก็อย่างนี้กินไม่ได้ต้องย่างันอย่างนี้นะอ่้าอย่างนั้นก็ไปนั่งกลับมาฐานที่โรงแรมไปนั่งกันที่โรงแรมนูน่นจะได้มีอาหารเสิร์ฟให้ในขณะพระพุทธเจ้าเจ้าชาชิตชาเนะเป็นจกักรพรรดิทันยังฉันอาหารในบาทลูกเดียวขเข้าวหนมค้าวต้มปนกันหมดเลยไม่ต้องไปเดือดร้อนใครประกอบเสวยพระปัญาหารเวลาเดียว แล้วก็ช่วยเหลือประชาชนตลอดไปในขนดเนี้สันเป็นจักรพรรดิเราเป็นอะไรแหมถือทิฏฐิถือมณเฑออาตมาฉันเกตคนที่มาที่นี่มากมายไม่ต้องมาเล่าจะมาฟังอาตมาดูหน้าก็รู้แล้วเขาไม่ได้ผลเขามาได้อานิชงแต่ประการใดจิตใจมันหดลดราคาจิตใจไม่เบิก บ, บานหัง่งษาแต่ประการใดไหนเลยแล้วจะได้อะไรล่ะคนที่ดีมีปัญญาเนี่ยเขาไม่ถือเนื้อถือตัวเลย รพระเจ้าเจ้าเคยถือตัวไหมไม่เคยถือเลยแขกมาก็ต้องรับยินดีต้อนรับเสมอไม่หลังเกลียดแขกแต่ประการใดออกมาอย่างนี้ชัดเจนนี่เห็นไหมบางคนไม่มีธรรมารู้เลยคนไหนได้ธรรมะขาเหตุผลจะคิดเกียจก่อนพอไม่เอางานเอาการเใครจะมีงานข้าก็ไม่รับรู้แต่ใครทะเลาะกันแล้วขยาดจะไปเรยนรู้ไอ้เรื่องบา้บาๆบอๆของเขาคนไล่ธรรมะชอบรู้ไอ้เรื่องไม่ดีเรื่องบา้บาบอ คนบ้าบอมีมากเพิ่มขึ้นดูหนังสือพิมพ์สะลงเรื่องพระเรื่องอลายเรื่องเร็วๆแล้วก็อ่านกันติดตามอ่านกันแต่พระที่สร้างความดีให้กับประชาชนเขาไม่เคยลงหรอกหนังสือพิมพ์มันบอกว่าพ่อขายไม่ดีเรื่องดีนี่ไม่มีใครอ่านก็คํานวณประชาชนได้ประชาชนชอบความชั่วของคนอื่นชอบติดตามอ่านไอ้คนนั่นคมคืนชําเลานะั่นแหะชอบอ่านแล้วก็เอามาเล่ากันเอามาเล่าสู่กันฟัง แต่ที่ไปปฏิบัติธรรมะได้ดีมีปัญญาแล้วทําให้รวยสวยดีไม่มีใครไปเล่าไม่มีใครไปลงหนังสือพิมพ์เพราะไม่มีคนอ่านก็แสดงสรุปผลงานว่าคนเดียดนี้ไม่ชอบผลดีไม่ชอบความดีชอบแต่ความชั่วชอบอ่านความชั่วเอาไว้มาในสมองความดีของใครไม่ยิ่งําเนินการเอามาใช้ในตัวเองแต่ประการใดคนประเภทนี้มีมากในสังคมคนไทยในระยะสังคมคนไทยเนี่ยเป็นอย่าง อาตมาจะกล่าวว่าประเทศไทยศาสนาจเจริญไม่ไ่ะเจริญมาถูกแข่งกันสร้างวัดแข่งกันสร้างโบสถ์แข่งกันแต่ถ้าชาวบ้านก็ไม่เคยมีเงินสร้างโบสถ์มาต้องสิบปีหรู้จะเสร็จโบสถ์ราคาเป็นสี่ิบล้านก็โบสถ์เนี่ยท้องถิ่นเราเนี่ยอยากจนก็สร้างเล็กๆสร้างพออัตภาพของบรรเหนือบรรใต้จะได้ช่วยกันช่อมได้สรา้างซะใหญ่โตและแข่งกันแต่ธรรมะไม่เอาเลย อาตมาไปประเทศทิละกาเมื่อสองพันร้สิบห้าประชุมผุ้ศาพันแห่งโลกลงจัดทั้งบินโคลัมโบแล้วก็รถเดินทางไปมีจั ก, กวางอิมมั่งลิงข้างปางชนีเดินให้ก๋วยไกลป่าเป็นฝูงเลยก็ตายป่าเป็นฝูงเลยมีไ้มประเทศไทยเอากินหมดแล้วตัดไม้ทํำนาป่าข้าศัตว์ป่าหมดแล้นี่อะศัตร า, าประเทศไทยจเจริญเจริญไ่ น, น, นก็ป่าเป็นบุญใจมันเป็นบาปมันข่าศัตร์ได้ลงคอก็ตายป่าก็กินหมดนะ ไก่ป่าก็กินหมดแล้วที่วัดนี้ต อ, อกอ้นไก่ปลาเยอะกระตายปลาเยอะไม่มีแล้วสักตัวเดียวมันก็คงหมดไปตามสภาพของกฎแห่งกรรมจากคนเราไม่มีบุญวัสนาเป็นบาปเป็นกรรมที่จิตใจของเขาเขาจึงได้สรางบาปได้ลงคอขาปลาจากเมตตาดังที่กล่าวแล้วเช่นเดียวกันญาญายมทั้งหลายเอ๋ยเรามันมีแต่ความทุกข์เรามานั่งเจริญกรรมฐานเพื่อให้คนทุกข์ มีความสุขความเจริญในจิตใจบ้างเนี่ยอย่างคริสเนี่ยเข้ามาเนี่ยแบบเขามากันแยะหมดบอกหลวงพ่อคะฉันตั้งแต่มานั่งกรรมฐานที่วัดหงพ่อเนี่ยครอบครัวฉันมีความสุขมากต่อนเนี่ยพ่อบานฉันเนี่ยติดชู้แล้วก็เล่นการพนันไม่ค่อยอยากเอาใจใส่ลูกเลยนะหลวงพ่อเนะยฉันไม่ได้บอกหลวงพ่อเราก่าฉันเป็นคริสฉันมีทุกข์เขาลือการเลยฉันก็มาแต่ฉันมานั่งกรรมฐานเจ็ดวันแล้วก็ะมัยเจ็ดวัน แล้วก็นั่งได้แผ่ส่วนบุญแผ่ส่วนกุศลฉันกลับไปแต่ฉันไม่เคยทะเลาะกับผัวเลยฉันไม่สนใจนะแผ่ส่วนบุญให้เขาแล้วก็บูลูกต่อไปลูกก็ดีหมดนัาข้าวทํำยังไงโยมพ่อบ้านกลับเฮมาเลยเลิกเจ้าชู้เลิกเที่ยวเลิกเร่งการพนันเอาใจสาาใส่ลูกอาศัยเมียขึน้นนี่อานิสงส์ได้เนี่ยคือความสุขมันแก้ไขทุกได้เนี่ยอย่างนี้นะแล้วเขาก็มีความสุขนี่คือคลีต เนี่ยเดี๋ยวโรงพยาบาลเฉลลุยก็จะมาที่นี่สองรุ่นก็จะมาหลายรุ่นไม่ได้เพราะตารางมันเต็มเอามาเข้ากับกองทบบสามรุ่นเนี่ยส่วนมากก็เป็นคลิกไม่จะเป็นพุทธแต่คลิกก็ยอมรับเฉพาะที่นี่เนี่ยยอมรับที่นี่แหละพุทธเหยียบโทเอาวท้ที่เท้าพุทธโฮเคยเป็นพุทธเจ้าจาองอยู่ที่จิตใจมันจะอยู่ที่เท้ายอมเนี่ยมาเนี่ยหลายเจ้ามาจะพุทธโฮ เอาเดินตรงกรมพุทธโธแี่ยเหยียบลงไปพุทเหยียบโทพุทเหยียบโธขานาดนี่ลูกพระพุทธเจ้าอยู่ฝาผนางเขายังไม่นอนหันเท้าไปที่รูกพระพุทธเจ้านะเขาเคารพบูชานะอย่าทําอย่างนั้นเลยแตมาทำมาก่อนแนละ้วสิบปีพุทเหยียบโธพุทเหยียบโทมามานานแล้วเลิกแล้วไปเจอหลวงพ่อในป่าครับหลวงพ่อบอกอย่าทําอย่าทําตรงนั้นเลยเป็นบาปนะมิณเมตต์ผู้มีบุญคุณกตัญญูตเวที มันบอกไว้ชัดเจนนะเราก็เลิกตกั้งแต่นั้นมาแล้วจึงเจริญมาอย่างนี้จเจริญด้วยความสุขเสื่อมไปด้วยความทุกข์ทุกข์ออกให้มันหายจากตัวไปเนี่ยาภาวะทุกข์คือเกิดแก่เจ็ดตายมันเป็นชภาวะทุกข์จริงๆโยมเหมยอตมาเนี่ยไม่สบายมีแต่ความทุกข์ตลอดเลยการหาความสุขไม่ได้เลยไม่อยากได้อะไรเลยถ้าเรามีป่วยหนักเจ็บหนัก มันจะออกมาในรูปแบบว่ามีแต่ความทุกข์สภาวะทุกข์มันเกิดขึ้นในตัวเราแล้วเนะี่ยเราจะไม่มีความสุขเลยปวดก็เป็นทุกข์ไข่ขึ้นสูงก็เป็นทุกข์หาความสุขไม่ได้เลยปวดรี้สะเป็นกำลังก็ตั้งสติไว้ทนต่อเวทานานั้นแล้วเราก็กำหนดเวทานาได้การปวดก็ลดน้อยลงไปถอยลงไปนี่สภาวะทุกข์แก่ตรงนี้จิตใจเป็นทุกข์ แล้วก็แก่จิตใจทําจิตใจให้ดีทําให้มีปัญญามีสติควบคุมจิตได้ไว้หน่อยได้ไหมถ้าทําได้แล้วสภ า, าวะทุกข์หายไปทุกข์มันจะหายออกจากจิตใจจิตใจจะมีความสุขในเมื่อจิตใจมีความสุขชนนี้แล้วทําอะไรมไม่มีทุกข์มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองไฟเดียวเท่านั้นนี่ตรงนี้เป็นจุดสําคัญสําหรับผู้ปฏิบัติถ้ายมมาปฏิบัติไม่เน้นึกตรงนี้ไม่ได้พ้นจะไปอัปพาวนิพานไม่ได้ผ ล, ลนนะี่แน่ ไปสวรรค์นั้นมีทานดีอยังไจงจิตใจจะเป็นบาปอยู่เลยแล้วไม่เป็นบุญเป็นกุศลอย่าไปติตำหนิคนโน่นตำหนิคนนี่บาปบอ่อคอแตกอย่าไปถือใครเขาถือตัวเองว่าตัวเองเนี่ยไปว่าใครคขหรือเปล่าตั้งสติไว้เดี๋ยวก็จะสงบนี่แหละรู้จริงยิ่งสงบลาลบธรรมจะไม่ว่าคนอื่นอีกต่อไปมีอะไรก็ทานให้มันอิ่มไปแล้วก็ตั้งใจปฏิบัติเท่านี้เองนะ มีอะไรก็เป็นคนเลี้ยงง่ายเขามีอะไรให้เราทานยังไงทานอย่างนั้นบางคนเนี่ยคนไม่มีหลาประแพทย์บางคนก็พูดดีมั่งไม่ดีบ้างมาพูดนักกินมั่งไม่น่ากินบางอย่ า, าไปสนได้ไหมทํามันยยมไปสนใจเรื่องนี้โยมไม่ต้องปฏิบัติเลยนะได้บาปใครจะพูดดีไม่ดีนิ่งเช่นอย่างเดียวอดทนแล้วตางกําหนด์ิดกําหนดรูหนอรูหนอรูลแล้วแกเป็นผูโลกศาสตร์ รู้หนอรู้แล้วแ่แค่นี้เองรู้เนอะรู้หน อ, หนอแต่เป็นอย่างนี้แกถึงพูดออกมาอย่างนี้เท่านี้เองโยนจะได้ผลสอบไล่ได้เดือดสอบไม่ตกแม้โดนกระทบะเทียบพอนอยสอบตกเลยเหรอสอบตกตั้งแต่ออกแขกแล้วจะเล่นไม่ดีเลยมั้ยเด็กชีวิตอนาคตจะได้ผลประการใดไม่มีความอดทนแต่ประกันได้นีสภาพวัตถุมันมีแต่ทุก เจ็บแล้วห่วยป่วยไข้ได้แต่ตัวใครขึ้นมาจะรู้ว่ามันทุกข์แค่ไหนเนี่ยการเจ็บห่วยป่วยไข้เนี่ยมีแต่ความทุกข์ตลอดเวล า, าตัวใครตัวมันต้องประสบเอาเองเนี่ยเนี่ยตมาเนี่ยป่วยมาตลอดเวลาการแต่ก็ต้องทนใช้กรรมาฐานเป็นอารมณ์ปฏิปฐานสี่ขันห้าลูกนามเป็นอารมณ์ตั้งสติอารมณ์ไว้แล้วมันสามารถจะสู้กับกองทุกข์ในนาประทานได้บักริญกะทุกข์ คือโศกเศร้าเจ็บป่วยเป็นต้นโศกเศร้าเสียใจปริเทวนาการไปเอาเรื่องคนอื่นมาทุกข์และโศกเศร้าแทนเขาเป็นไปไม่ได้เลยอย่าไปเอาอย่างนั้นตัดถิงน้ากา ท, กทุกทุกจร น, นอกประเด็นเอามาไว้ในตัวเองโศกเศร้าเสียใจปริเทวนาการตลอดรายการไหนเลยเล่าโยมจะมีความสุขเล่านิพพัทธทุกข์หนาวร้อนหิวละหายเป็นต้นบางคนมา ก, กินมากได้ก็เป็นทุกข์ กูไม่มีเงินกินกูมีเนี่ยเงินกินมีแต่ทุกเนี่ยหนาวมากเกินไปร้อนมากเกินไปไม่ต้องทํางานไม่ต้องสร้างความดีหิวระหายเกินไปเป็นต้นนี่เรียกว่านิพพัทธทุกเกิดทุกแหละถ้าเรามีสติ ด, ดีแล้วจะไม่มีความทุกโดยหิวละหายแต่อาการดแล้วจะอดทนต่อไปมันจะเกิดขึ้นอย่างนี้นี่กรรมาฐานพยาที่ทุกทุกเกิดตามร่างกายร่างกายเป็นโลก ภาวะไม่สู่ความเป็นปกติมันก็มีแต่ความทุกข์ถ้าเรามีกรรมฐานดีแล้วความทุกข์ในร่างกายมันก็หายไปนะมันก็หายออกไปได้ขอให้ทำให้ถึงโยมอย่ามาพูดว่าอาตมาเลยโยมยังไม่ถึงขัง้นดียังดีไม่พอเนะี่ยยังไม่ฌันถึงตัวพอยังไม่ดีมันก็ต้องทําไปก่อนที่กว่าจะถึงขังน้นนี้ถึงจะดีพอนะสัตว์สังตาประทุกทุกเกิดจากกิเลสเผาผลาญ เกิดจากโลภะเกิดจากโทสะเกิดจากโมหะมันเผาผลาญมันไฟเผาหัวใจตลอดรายการถ้าเรามีสติปัญญานรีใช่ทุกเอ้ยทุกหนอมันทุกอยากก่างจิตใจมเนก็ไปเจ้าเลือเกินคือโลภะอยากได้ของเขาแต่เสียเพราะไม่เอาด้วยมันเป็นทุกข์โทสะโมหโหโรธาไว้ในใจเป็นบาปเป็นกรรมก่ตัวเองนะ แล้วมันเผาจิตใจให้ร้อนรลนทนไม่ไหวมีแต่ความทุกข์นานาประการแถมกินไม่ได้นอนไม่หลับก็เป็นทุกข์หลักวิเลศเผาผลานอย่างนี้แหละหนอเราไปโกรธเขาทำไมกระทั้งที่เขาไม่รู้ตัวเราโกรธเขาเขาก็สบายแต่เราเป็นคนลำบากเรามีทุกข์เราเป็นบาปในใจเรียกว่าวิเลศเผาผลานใช่หไหมโมหะเผาผลานคือคนไรปัญญา สอนกรรมาฐานเพรอแม่เอาด้วยจะเอาแต่นิสัยขอ่งตัวเองออกมาใช้เลยกลายเป็นคนที่กิเลสเผาผลานหาปัญญาไม่ได้เลยมีลูกก็งโง่หมดทั้งทั้งครอบครัวโง่ตลอดเลยการเพราะไอ้พอแม่มันโง่มันมีโมหะไม่ยอมรับฟังใครทั้งนั้นใครจะแนะนํำยังไงก็ไม่เอานี่กิเลสเผาผลานใช่ไหมมือแต่ความทุกตลอดรายการมีปากับทุกทุกเกิดจากผลบาปกรรม ที่ตนทําไว้ได้แต่ตัวตามามมาหมดแล้วนี่เนี่ยเกิดจากวิบากทำที่เราทําไว้หากค อ, อนกปอกปลาเฝาเต่าแล้วก็ข้าวไปให้พระเอาไปกินใชเองเราก็มีทุกข์ติดตามมาทันทีเป็นเปรตตลอดห้าทุสองวันบากจุกินอะไรไม่ได้เลยนะนี่แหละเราก็มีแต่ความทุกข์มีแต่ความยากมีแต่ความลำบาก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 อาตมาเนี่ยทุกมาเรื่อยเลยรถตกเหวที่มาสอดสามสิบกว่าปีมาแล้วรถพังหมดทั้งคันอาตมาต้องตายเหวขึ้นมาเลยนี่ทุกขทรมานที่สุดเนี่ยเกิดทุกขของเราเองบาปกรรมเกิดจากเรากระทําเองไม่ใช่คนอื่นมาทําให้เราแต่ประการใดขอโยมได้ทราบนัยยะดังกล่าวมาสหัคตาทุกขทุกเกิดจากโลกกระทํำอย่าไปหลงโลกหลงธรรม หลงกิจตามที่ลายฉะละดมินทาสันเสรินมินทาสันเสรินจะไปสนใจขอประทานโทษโยมจะาเขาด่าเราวันนี้มากวันนั้นได้กาไรตั้งสตรีเอากําไรให้ได้วันไหนเขายกยอปอป้านเราสันเสริญเราวันนั้นขาดทุนอย่างย่อยับยกตัวอย่างเปรียบเทียบเหมือนโยมไป็นพ่อขา้าแม่ค้าคิดขาดทุนไว้ก่อนแจะหาทางแก้ขายโยมต้องได้กาไรโยมไปแม่ทัพคี่ชนะเขาต้องแพ้เนี่ตรงนี้เป็นรับสมองนะ ก็เป็นการปฏิบัติธรรมเนี่ยโลกธรรมอย่าหวั่นไหวเลยอย่าไปเชื่อโลกธรรมเขาสันเสริ่งเขาสั่เสิร์ น, นอยก็ถูกกระโดดแล้วเขาว่าหน่อยอก็โมโหโทโสเป็นต้นอย่าสนใจโลกธรรมอันนี้ใครจะสั่นเสรินิ่ทายัางไงว่าเราดีเราก็ไม่ดีตามปากมันพูดมันว่าเราเป็นคนชั่วเราก็ไม่ชั่วตามปากมันพูดอย่าไปสน ใครว่าไงกระชางเรือของเขาโลกธรรมวันไวมีตลอดเวลาถ้าโยมจเจริญกรรมาฐานไดน้โยมจะไม่หวันไวในโลกธรรมอาหารและปริเยจะทุกข์ทุกเกิดจากการเลีน้นฉิดการประกอบอาชีพการงานมีแต่ความทุกข์ไม่เหตุได้เพราะว่าอาชีพนั้นไม่ถูกต้องกับจริตของตนค้าขายโดยที่เป็นบาปเป็นกรรมอย่าขายสาดแต่ก็ไปฆ่าเป็นต้อนอันนี้ยกตัวอย่างข้อเดียวเนะ นี่เป็นทุกข์ทางนั้นอาชีพอาชีพดีมีปัญญาจะไม่มีทุกข์เลยให้มันเข้ากับหลักปฏิบัติของเราเราทันอาการข่าอย่างไรก็เอาอย่างนั้นอย่าไปก้าวกลายให้มันเกินไปทําให้เกิดมีทุกข์ในการเลี้ยงชีพแต่ประการใดวิวาทะมูลและกระทุกทุกข์เกิดจากการหนักใจถ้าเราหนักอกหนักใจเนี่ยเอาคนอื่นมาหนักแล้วมันมีแต่ความทุกข์อย่าหนักอกหนักใจเลยให้เบาใจเชื่อมีสติสั้ประชัญญะ ตลอดเลการทุกขของขันห้าลกูกเวทนาทั้งยาทั้งขานวิญญาณมีแต่ความทุกตลอดทุกเกิดจากขันห้านั้นถ้าเราจเจริญกรรมาฐานลกูกเวทนาทั้งยาทั้งขานวิญญาณเพลารูป ก, กับนามกายกับจิตปฏิบัติไว้รับรองทุกขของขันห้าก็จะหายไปเหลือแต่นามมาทำจิตมันก็ดีไม่มีทุกนี่แหละขันห้าก็เป็นทุกทั้งนั้นโลกก็เป็นทุก์มันเปลี่ยนแปลงได้ เวทนาก็เป็นทุกข์เพราะมันปวดทนไม่ได้สังขานจงแต่งมันก็ปวดอย่างนี้นี่ยนองเรากําหนดปวดได้มันก็หายไปจะได้ไม่มีทุกข์ต่อขันห้านี่เวทนาสัญญาคือความจํามันก็เป็นทุกข์เราจําไม่ดีมาก็เป็นทุกข์จำดีๆมีสติปัญญามันก็เป็นความสุขไปจําไอเ้เรื่องเร็วๆของเขามาในสัญญาก็เรียกว่าสัญญาในขัน 5, ห้ามัอนกันอย่าไปจําไอ้ความเร็วเขาใครเข้ามาไว้ในสมองเลย ตรงมีสัญญาความจําได้ไม่รู้ที่ทดีเถิดโยมจะประเสริฐเป็นความสุขออกมาอย่างนี้เป็นตน้นนี่นีความหมายมีมากมายเหลือเกินเนียะตมาเนี่ยเกิดทุกเป็นมาหลายครั้งหลายคราวแล้วแต่ไปยุโรปมาก็ยังไม่หายดีก็เราสร้างเวรสร้างกรรมเราไม่เรายอมรับที่เราสร้างเวรยิงนกตกปลาต้ไมเปล่าก็ยังมีกรรมอยู่ทุกวันนี้ต้องใช้นี้เขาทั้งนั้นไม่ใช่ว่าไม่ใช้ ไม่ยากทำกรรมฐานแล้วก็เลิกไปห น, นีกันเลยไม่ใช่แต่ก็เรารู้เรารู้จริงก็ต้องยอมรับ ก, กรรมที่เราทําไว้เราจะไม่ปฏิเสธทุกข้อหายอมรับใช้กรรมที่ทําไว้ด้วยตนเองอย่ามาทํากรรมมามากเนี่ยแต่ชีวิตเราคงไม่ช่งหวังวามาได้กรรมฐานประจำจิตประจําใจของเราแก้ไขทุกข์ถึงบรมศพจนได้ในอนาคตวันข้างหน้าอีกยาวนานเราอาจจะถึงที่หมายอันนั้นในวันหนึ่งข้างหน้า อย่าโยมมานั่งกรรมฐ า, านก็หมานแพ่เมตตามีเมตตาเป็นอันดับแรกอันดับสองแก้ไขทุกอันนี้ที่ได้ชี้จแจงแสดงมาได้ผลมันทุก อ, อกทุกใจหนัก อ, อกหนักใจอย่าเอามาเอาหนักไว้ในใจอย่ามาทุกข์ใจเลยตั้งสติอารมณ์ไว้แก่ไขทุกข์ได้มันมีทุกข์อะไรเรื่องลูกไม่เรียนหนังสือโยมก็แพร่เมตตาให้เขาเดี๋ยวเขาก็จะเรียนได้อย่างที่มีตัวอย่างในวัด ทุเนื่องสามีไม่เอาเนื้อเอาไตานะเจ้าทู้บ้างอะไรบ้างอย่าไปสนใจเอาทุกผัวมาไว้ในใจทําไมเราก็แกให้เขาโดยแผ่เมตตาสามีใช่แต่เขามีความสุขความเจริญหันมุมมองและแน่มุมกลับมันจะทําให้เกิดความสุขในครอบครัวได้อย่าไปทะเลาะวิวาดกันเลยอย่าจะให้ร้ายไปซีกันมันจะเกิดความทุกข์หนักผสมทุกข์มากขึ้นเลยก็เผ็บความทุกข์ไว้ให้ลูกต่อไปเป็นกฎแห่งกรรมนะ อย่าเขาทาได้ผลส่วนมากเป็นคลิปไม่ใช่พูดซะแล้วนาทิดายเหมือนกันแล้วพูดถึงเรื่องบุญบ้างการกระทําที่จัดเป็นบุญมีอะไรบ้างบางครีว่าใจเป็นบุญอย่าใจเป็นบาปนี่สรุปเลยหนึ่งบุญคือความสุขทุกคนต้องการอย่างนี้แล้วกระ บ, บุญนั่นที่จะทําจัดเป็นบุญมีอยู่หลายประ ก, ก, ก, การในการการบริจาคตามให้ทั้งวัตถุทั้งความรู้ และการให้อภัยซึ่งกันและกันถึงจะเป็นบุญการรักษาศีลถึงงดแวนจากการทําความชั่วต่างๆถึงจะเป็นบุญการเจริญภาวนาเจริญวิปัสสนากรรมฐานเจริญสติปัฏฐานสีแล้วเพื่ออบรมจิตให้มันคงทําให้มีสติธรรมะชาญญาัญนะมั่นคงถาวรในความดีอันนี้นับว่าเป็นบุญเป็นกุศลเป็นวัฒนะการอ่อนน้อมถ่อมตนต่อ ท, ท่านผูหลักผู้ใหญ่ วันตะโกปฏิวันทนางปูตะโกและปะเตปูชังไว้เด็กการรับวานไหว้ตอบบูชานั้นนั้นผู้หลักผู้ใหญ่จะได้การสนเสริญเจริญพรนับว่าเป็นการกราบไหว้บูชาเป็นบุญเป็นบุญกรูสอนจะมาทึงสอนเด็กให้ไหว้กราบพ่อแม่อย่าเทีย่ยง่อแม่กราบไหว้ครูอาจารย์อย่าเทียงครูอาจารย์อย่าเทียงผู้หลักผู้ใหญ่เป็นบุญแน่ๆอันนี้ชัดเจนการถ้วยขวนขวายในการทําความดีของผู้อื่นนับว่าเป็นบุญ ถวยควงควายในการทําความดีของผู้อื่นนับว่าเป็นบุญเป็นกุศลการแผ่ส่วนบุญหรืออุทิศส่วนบุญให้แก่ผู้อื่นเช่นเจริญกรรมมาถามเสร็จแล้วนะแผ่ส่วนบุญไปเราจะให้ใครก็เอาไปนับว่าเป็นบุญเป็นกุศลของเราเราไม่รู้แต่จะแผ่ให้ใครเลยอุทิศให้ใครจะเป็นบุญได้อย่างไรนี่เรื่องจริงแน่นอนตามคําสอนพระบุตรเจ้าธรรมาไม่ได้เอามาเองนี่คาสอนของพระบุตรเจ้าการแผ่ส่วนบุญ ที่เรามีความสุขแล้วแล้วก็แผ่ส่วนบุญอุทิศส่วกุศลบุญไปให้แต่ผู้อื่นนะับว่าเป็นบุญเป็นกุศลของเราเองโดยเฉพาะการชื่นชมยินดีต่อการทําความดีของผู้อื่นเห็นผู้อื่นทําดีแล้วจงแสชื่นชมอย่าไปอิจฉาเขาใครอิจฉาเขาเป็นบาปนี่นะับว่าเป็นบุญเป็นกุศลของเราชื่นชมยินดีนี่ต่อการทําความดีของผู้อื่นเป็นประโยชน์แก่โยมเองการฟังเทศ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 การตั้งความคิดเห็นการตั้งความคิดเห็นให้ตรงตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้านับว่าเป็นบูญเป็นกุศลอย่างมหาศาลขอฝากญาติโยมไว้ในวันนี้เช่นเดียวกันวันนี้เป็นวันธรรมโูนะวันพระุภาตของสิ้นเดือนทิสี่ค่ำจะาตุวโสแล้วขอให้เช่นไปด้วยความทุกข์ขอให้ประสบความสุข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 ของเหล่านี้ก็มีทั้งทางคืนทางแหลมมีทั้งกลางวันกลางคืนมีทั้งผู้หญิงผู้ชายมีทั้งความทุกข์มีทั้งความสุขมีทั้งความสนุกในสังคมมีทั้งความเสียใจเสียใจเศร้าใจและโศกใจปริเทวนาการเอาความเสียใจมาวันหน่จ่ายตายไปนรกหาความสุขไม่ได้เลยขออนุโมทนาสาธุการบุญ อ๋อยมเจริญกรรมาฐานตั้งใจทําจริงๆหน่อยได้ไหมแต่มาอยู่ที่กุฏิก็รู้อะทําจริงไม่จริงน้อยคนที่ตั้งใจมาอีกหลายคนไม่ได้ตั้งใจมาเลยตั้งใจมาหาเรื่องกันเนี่ยขอฝากไว้ด้วยใครมีของมีค่าอย่ามานะอาชีพมันหายหายกันบ่อยๆไม่จะคนที่ื่นมาเอาเหรอกบางคนเนี่ยอุราห์สวยเป็นสาวมาเดียวกันสามี่คนนอนห้องเดียวกันขอหายเนี่ย ถ้าคนนึงจะเอาไปนะก็ไม่ว่าเลยการอย่าเอาเงินทองมามากมาก่ายกองเอามาฝากไว้ก่อนแต่สนันนิษฐานพาพรก็ดีไม่ใช่ไม่ดียาวมาตอนปฏิบัติธรรมเดี๋ยวมันหายไปแล้วเลยทําปฏิบัติไม่ได้จิตใจยังไม่ถึงขั้นเลยก็ใช้ได้ของเลยปฏิบัติไม่ได้กันเลยขอฝากไว้เนี่เป็นบุญเป็นกุศลหรือเป็นบาปอย่างไรไม่ต้องอะไรมาแล้วเรามาออกจากท่องแม่มาไปอย่างนั้นมีแต่ตัวเอง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 เราจะไม่ผิดท้องหมองใจจะไม่มีทุกข์ในใจต่อไปจะมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองวัฒนาสถาพรสิรไปนะับบัดนี้ขอทุกท่านจงเจริญไปด้วยอายุวันนาสุขาะภะปัติพานในอาทานทุกบัดไม่เกิดสิ่งีประการใดขอให้สมมาตรบัดนาด้วยการทุกข์ทุ ก, ทกงามหน้าอกาสบัดนี้เทินเดชะมาอาพาธหนักก็ต้องทนนี่แหละญาโยนทั้งหลายเป็นอย่างนั้นจริงๆ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 ทั้งนามาทำให้เห็นเป็นลูกประธรรมแล้วนั้นก็อย่าเอาไม่ได้ยังไม่มีความเข้าใจมานั่งกรรมฐ า, านกันก็ไม่ได้ตั้งใจด้วยก็ไม่ได้อะไรเสียเวลาดโูโรมอย่างนะ้เนี่ยกรมาก็รวมไว้บาทรสองบาตรถาวายจะพุทธรูปนนในหลวงทุกวันถึงวันที่ตากสวนธรรมาจาักแม้แต่สตังเดียวใครถาวถายกรตมมาไปส่วนตัวจะถาวายในหลวงให้หมดทุนชัยพัฒนาของไทย ไปพัฒนาประเทศชาติต้องไปถวายท่านในดาวฤกษ์สี่แสนกว่าบาทนะคนละสตังค์สองสตังเนีนะ่คนละบาทสอบาทนะถวายเป็นดวนตัวในวันที่เก้าอ้อนเดือนจะถวายเป็นพระราชพูชนให้พระองค์ไปพัฒนาประเทศชาติท่านจึงตั้งชื่อว่ากองทุนมูลนิธิใช้พัฒนามีชัยชนะด้วยการพัฒนาแต่คนไหนไม่พัฒนาแล้วคนนั้นไม่มีชัยแล้ว พัฒนรอแพ้ตลอดกาลแพ้ตลอดกาลไม่พัฒนาตัวเองไม่พัฒนาสังคมแล้วไหนเลยเ่าประเทศชาติจะไปรอดนี่แหละเห็นใจในหลวงมากทำในเห็นก่บความเหนื่อยากพระวรากายกระตังทรงประชวรก็ยังต้องใช้หุ่นทิศใช้เตติปัญญาช่วยประสบในกอรและสะดอนทั้งหลายใช้พัฒนาต่อมาก็จะถวายท่านใีหลวงว่าจะสี่แสนกะบาทเนี่ยกวจะถึงวันที่เก้ามิถุนา เหื 2, 300, 39, อสองพนร้อยสามสิบเก้าก็คงจะเรียนล้านจะไปถวายท่านในรั้วในวังต่อไปแล้วก็ช่วยทุนการศึกษาราชาเคราลห์ของเด็กประเทศไปที่ทานตองราชาเคราลห์เด็กยากร้กไอยากจนชายแดนถึงเจ็ดร้อยคนเนี่ยมันเป็นประโยชน์กับประเทศชาติใช่แต่ประเทศนี่ท่านเห็นการกลายบอกรอราพ่อคะใ้สนทนากับท่านแล้วถ้าเด็กชายแดนเนี่ย มันยากหละยากจนไม่มีวิชาความรู้แล้วไม่มีหลักฐานมันจะก่อการ้ายขึ้นเห็นด้วยเลยชัดเจนเนี่ยประเทศเนี่ยอนยนันทรงประชาภาษาแค่สี่สิบเท่านั้นอันยังถ้วยเหลือประเทศชาติเช่นเดี่กับอัตมา ก, ก็ไปร่วมัะท่านหนึ่งแสนบาทลาชาวนครเด็กยากจนหมือนพ่อค้าถ้าเด็กมันมีวิชาความรู้ขึ้นแล้วก็มันมีงานทาดีพ่อแม่มันก็รวยขึ้น ในเมื่อพ่อแม่ดีแล้วมันจะก่อกบฏต่อชาติไหมจะก่อการลายในสังคมไหมนี่ ย, ย, ยตรงนี้ไม่มีใครคิดเลยแต่ประการใดนี่ ม, มาสรางวา น, นี้ให้เครื่องพิมพ์ตำรวจไปเอาอย่างดีจะแพร่ยาวตีบัญชีได้ใชาไฟฟ้าเด่ยตำรวจอำเภอพรมใหายไปเครื่องแล้วดีงบประมาณรัฐบาลไม่มีก็หายไปเครื่องเนี้หายไปทุนส่วนตัวนเนี่ยเอาให้ทำบุญทั่ ว, วโลกเลย มายุโลกมาเครื่องบินเขาบอกบุญช่วยเด็กญาติส่วนทั้งโลกเทย่ามให้เลยเทหมดเลยนี่เระช่วยเด็กทั่วโลกเราจะได้มีมีบริวารทั่วโลกบริวารมีด้วยนะบางคนเนี่เห็นตัวจริงๆมีเงิ น, ม, งนมีทองไม่ตามพระไปในเครื่องบินไหลาองค์บอกเอาเหรียญมาเหรียญต่างประเทศเนี่ยมาทําบุญให้หมดก็จะเอาไปดูเป็นพิธีณารเอาตามใจเราเทย่ามให้องค์เดียวทำบุญกับเขา ไอ้บริษัทหรือไอ้มูนิธิอะไรจำไม่ได้ของฝรั่งเราก็ทําบุญไปหมดเลยนะเราจะได้มีญาตินอทั่วโลกมีญาตองิยาตรงิมิจะหายทั่วโลกเขาไม่ทําก็เรียของเขาเราก็เป็นพรไปสูกไม่มีเงินเลยแม้แต่บาทเดียวนะตางเดียวก็ไม่มีแล้วแต่ก็ช่วยญาติยอมสอนธรรมะธรรมโมไปเท่านั้นให้ยอมคนทุกโยอมก็มาถวายแต่มาบาทรสองบาท กอไปทําให้หมดแบบนี่บัดนีออ้สปอซพจปทมสาแห่งชาติจังหวัดเชีงบุรีได้งบประมาณสร้างอาคารเป็นส่วนตัวส่วนอาคารของเขาเจ็ดล้านหมดงบประมาณไม่มีที่จะปรับปรุงหอประชุมมาขอให้ไปแล้ววันนี้ให้ไปแล้วสามแสน4ี่0มืนบาทเสร็จเอาไปเลยเราได้มาจากโยมโยมก็ถวายส่วนตัวสา ม, มารถทําได้ทุกๆุกอย่าง นานาชนิดนานาบุญเป็นคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติเอาเลยเอาไปแล้ววันนี้ปรลับไปแล้วสามแสนสี่ห่บาทที่โยมให้จะมามานะข อ, อนมโมทนาเรี่วมกันเถอะเอาบุญร่วมกันอย่าเห็นกัะตัวเกินไปนะักเดี๋ยวเราก็ตายจากโัวไปแล้วขอฝากไว้ีแลวตั้งธนาคารกสารได้ล้านกว่าแล้วล้านกว่าแล้วเศษเท่าไรจาไม่ได้มีวันนี้ท่านมุชาการทานอามา เคยตั้งธนาทานน้ำประท่านช่วยน้ำทั่วไปเลยกองทหารก็ช่วยจะตั้งลงอุปสากา ร, รมของทหารขึ้นขายดบขายดีบ่งมีที่สุกทหารกดกระเทือนหรือออกจากราชการกดเทรนพิธีการสองปีก็ได้มีวิชาตัวตัวไปทันคิดการกลายมากมีคนตีสมศักดิ์สร้างการเลิศ้อมเรียกว่าผู้องท่านกรรมบวชที่นี่ท่านมีสติปัญญาก็คือกรรมฐาน ไม่สติสัมงปัญญาอยู่กับตัวคนนั้นมีปัญญาคนที่ไายสติขาดเหตุผลไม่มีปัญญาแหรอกทำอะไรก็ทําเสียหมดทําไม่งอกงามไม่งอกเงยแต่ประตาใดทำแล้วหดหมดอะไรใจอยากจิตใจก็ลดราคาออกมาอย่างนี้ละยอมจะเอาอะไรมานนั่งกรรมาฐานตั้งใจหรือไม่ไม่ตั้งใจก็ไม่เป็นไรไม่ได้อะไรกลับไปเลยนะทํางานด้วยความตั้งใจถ้าทํำด้วยศรัทธาตั้งใจทําต้อ ง, งเสร็จ ไม่มีงานไหนที่จะเหลียววิสัยมนุษย์แต่ทําด้วยความตั้งใจไยปลาวทาเพื่อชังกัตายไม่จะทําก็ทำํำนึกไม่ทําก็ไม่ทําลงานเนะี่ยมันจะเสร็จพรานทันทเวลาไหมไมันมีโอกาสนะเราอยู่ในโลกทั่วคราวเดี๋ยวต้องคืนของก็ไปหมดเนีไงของคืนเราสมบัติมนุษย์เดี๋ยวเราก็ตายตายไปแลต้องคืนให้โลกมนุษย์มันมีอะไรติดไปเลยนะจิดติดตัวไปก็คือบุญกุศลที่เราสร้างกันเองระทับใจ ติดใจเราก็รู้อะไรเป็นบุญอะไรเป็นบาปมันเป็นอย่างไรก็สามารถจะติดดวงวิญญาณเราไปสู่สัมปริยพภะลาลบในภพใหม่ต่อไปอย่าหลงโลกมนุษย์นักเลยอย่าโยมนคนมแก่จะตายเหนียวแน่นไม่อยากจะทำอะไรให้เป็นประโยชน์รวมชับสมบัติไว้ตายไปแล้วลูกมันก็แย่งกันหลานมันก็แย่งการป้องลองรวงสารกันมากมายใช่หรือไม่นี่หละบาปเห็นชัดชัด ตายไปแล้วยังมีบาปติดไปไอ้ลูกหลานมันแย่งกันเร็จรวมไว้ให้มันแย่งกันน่าจะเก็บเอาไว้ทําให้เป็นประโยชน์แก ต, ตัวเองและประโยชน์ต่อประเทศชาติกับพระศาสนาพระมหาตรศาสมาไม่มีเลยแต่ไม่ว่ากันนะแล้วแต่บุญผูงโยมแตโย่มมีบุญกระทาคนที่ลายบุญวาสนาไม่ค่อยอยากจะทําบุญไม่อยากจะมีความสุขมีแต่ความทุกข์ระทมขมขื น, นตลอดการเวลาเขาฝากว่าอย่างนี้นะ วันนี้กรรมาก็อ า, าพาธหนักก็ต้องจนใจแต่ก็ต้องทีดแจงแสดงไปให้เข้าใจตรงได้